ถั่วหเม็ดการละครหนึ่งนานมาแล้วมีถั่วห้าเม็ดอยู่ในฝักเดียวกันพวกมันแต่ละอันแตกต่างกันแต่พวกมันก็อยู่ด้วยกันพวกมันไม่ได้กเกินไปที่จะทนแสงอาทิตย์พวกมันจะนอนทั้งวันแต่ตอนกลางคืนพวกมันจะคุยกันและฟังดนตรีรอบๆโดยเฉพาะดนตรีของพระจันทร์ พระจันทร์เมื่อเกิดจันทร์เสี้ยวก็จะเอากดได้สีเงินมาผูกกับตัวเองมันเคยเล่นพิณและร้องเพลงเพราะๆให้ทั่วฟังเมื่อถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงมันก็จะเล่นเป็นกลองทั่วก็จะตื่นขึ้นมาฟังเสียงกลองดังๆของพระจันทร์แต่ทั่วแต่ละเม็ดมีความเห็นต่อดนตรีของพระจันทร์ต่างกันฉันชอบเสียงกลองเนะ้อบมบูมบูม บ, มบม ชอบมากเลยฉันชอบเพลงนิ่มๆมันฟังสบายหูดีฉันชอบจี่พระจะเล่นพินอะ่ะมันสวยงามแล้วก็เป็นทนํานองมากๆเลยโอ้ทำไมฉันขอเวลางียบๆหน่อยไม่ได้ช่างเพลงมันสิฉันชอบหลับให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ใช้ชีวิตไปตามจังหวะถั่วที่สี่ขี้เกียจมากมันชอบนอนตลอดเวลา ตัวเม็ดที่ห้าที่อ่อนที่สุดนั้นต่างจากเม็ดอื่นมากผมชอบดนตรีทุกช น, นิดทั้งกลองทั้งแคดท่านเน็ตทั้งพินพวกมันมีความพิเศษผมมีความสุขมากตอนได้ฟังพวกมันถั่วโตขึ้นทุกๆวันพวกมันไม่รู้ตัวจนตัวเองโตเต็มวัยตอนนี้พวกมันรู้ตัวเพราะว่าฝักถั่วมันแคบมาก ขอไปหน่อยสิฉันขยับไม่ได้แล้วนะฉันก็ไม่มีที่ขยับเหมือนกันน่ะมันแน่นมากในนี้ฝักของเรานะ่ะอึดอัดเกินไปแล้วนะใช่ฉันนอนไม่ได้แล้วในนี้ขอที่หน่อยขอที่หน่อยได้ไหมอผมตัวเล็กสุดแต่ก็ยังขยับยากเลยอะทุกคนบนและขอให้พี่น้องขยับไปอยู่ดีดี ฝักถั่วก็เปิดออกมาแล้วแสงอาทิตย์ก็กระทบลงไปไม่นะใครเปิดฝากเนะ่าไรสาระมากบ้ามากทำไมฉันนอนไม่ได้สบายสบายสักทีนะปิดฝากใหม่นะ้าขอละฉันลืมตามไม่ได้ด้วยซ้ำมากเป็นไปไม่ได้หรอกตอนเนี้มันเปิดตามธรรมชาติของมันแล้ว ว้าวฝักเปิดแล้วผมมีความสุขมากเลย <laughs> หลังจากนั้นไม่กี่นาทีหลังจากที่เริ่มชินกับแสงอาทิตย์พวกมันก็เริ่มเถียงกันฉันคิดว่าเรามีโอกาสแล้วละ่ะโอกาสอะไรเหรอโอกาสที่จะออกไปดูโลกภายนอกยังไงเล่าคิดว่ามันดีเหรอฉันว่าโลกข้างนอกเนี่ยมาอันตรายสำหรับเราก็ได้นะ มาเสียเวลาเถียงกันทำไมเล่าฉันอยากจะออกไปข้างนอกไปดูสีสันของโลกใบนี้ฉันอยากจะสนุกกับโลกข้างนอกฝักทั่วแล้วล่ะทำอะไรก็ทำเธอฉันอยากจะนอนอีกสักหน่อยอะลองหน่อยเถนะการออกจากฝั่นี่มันจะดีจริงเหรอ เราอยู่ที่นี่มานานแล้วเราไม่รู้จักโลกภายนอกเลยนะเพื่อนออกไปกันเถอะไปสนุกด้วยกันไปสนุกนอกฝักถั่วของเราพวกเขาเถียงกันสักพักแล้วก็ตัดสินใจออกไปจากฝักพวกเขามองว่ามันเป็นการผจญภยัยและตัดสินใจลองทำพวกเขาออกจากฝักถั่วไปทีละเม็ดจับก้านดีๆสิ ว่าเราจะลงตรงไหนระวังโอ้คอยรับฉันด้วยนะหวังว่าเราจะได้ที่นอนสบายๆนะอยู่ไหนกันนะอย่าทิ้งผมเอาไว้คนเดียวมันลื่นนะพวกเขาลงจอะที่กองต้นถั่วพวกเขาสนุกมากที่ได้ค้นพบโลกเป็นครั้งแรกว้าวมันสวยมากเลย ใช่ฉันดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่คิดถูกแล้วที่ออกจากฝากมานะ่ะฉันอยากนอนอ่ะหาที่ดีๆให้หน่อยสิเฮ้ hey, ยูนี่สิเราอยู่ในฝันที่อยู่สูงจากฝุ่นมากเลยนะตอนที่พวกเขาคุยกันเรื่องโลกภายนอกมีเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาเห็นอาฮะทั่วพวกนี้เราน่าจะเอาไปยิงหนังสติ๊กได้นะ เก็บไปดีกว่าเด็กชายเก็บถั่วทั้งหมดทีละเม็ดถั่วเม็ดแรกบินไปไกลในท้องฟ้าจนเม็ดอื่นๆมองไม่เห็นโอ้ฉันตายแน่เลยหลังจากนั้นเด็กชายก็ยิงถั่วเม็ดที่ 2, 3สและสด้วยหนังสติ๊กของเขาใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะลงจอดที่ไหนเนี่ย แต่คนนี้จะฆ่าเราเพราะความสนุกของตัวเองขอนอยากตกไปในที่ที่จะนอนสบายไม่มีใครกวนแล้วก็ถึงคราวของทั่วน้องเล็กว้าวฉันได้บินในเมฆที่เหมือนผีเสื้อเลยโชคชะตาของฉันพาฉันไปที่ที่ฉันจะได้มีชีวิตที่ดีด้วยทั่วน้องเล็กไปตกที่ขอบหน้าตา่างโอ้โชคดีที่เราปลอดภัย เขามองผ่านหน้าต่างเขาเห็นเด็กเล็กกำลังนอนอยู่<อ>บนเตียงเธ อ, อไม่สบายและไอไม่หยุดแม่ของเธอบอกให้เธอกินอาหารกินซุปหน่อยนะจะได้ทำให้เราแข็งแรงสู้กับโรคได้ขอโทษค่ะแม่หนูไม่อยากจะกินอะไรเลย <c oughs> ถ้าไม่กินแล้วจะกลับมาหายดีได้อย่างไงกันล่ะเจ๊ะ ทั่วเห็นแม่พยายามจะป้อนอาหารเด็กแต่เด็กคนนั้นป่วยเกินไปที่จะกินอาหารแม่ของเธอห่วงเธอมากตอนกลางคืนเด็กหญิงเผลอหลับไปแม่ของเธอก็ขอพรให้เธอช่วยลูกของฉันให้หายดีด้วยนะคะฉันทนเห็นเธอทรมานไม่ได้ขอพรให้เธอสุขภาพดีให้เธอได้มีชีวิตที่ดีนะคะเพื่อลูกสาวฉันนะคะได้โปรดละ ทั่วก็รู้สึกแย่แทนแม่ของเธอคืนนั้นถั่วก็เข้าห้องไปผ่านหน้าต่างพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าถั่วก็ร้องเพลงตามเสียงกลองให้เด็กฟังแบงแบงแบงฟังฉันสิจ้าแบงแบงแบ ง, แบงฟังฉันสิจ้าใครน ะ, ะ, ะฉันได้ยินเสียงอะนั่นใครเหรอ เอฉันอยู่ตรงนี้ที่หน้าตา่างเธอพูดอยู่เหรอฉันไม่เคยเห็นถั่วพูดมาก่อนเลยร้องเพลงได้ด้วยนะฉันจะร้องเพลงให้ฟังตามกลองของจันกลองเหรอใช่จันจะเล่นกลองตอนเขาเต็มดวงฉันฉันไม่ได้ยินอะเธอต้องเป็นถั่วพิเศษแน่นเลย ทุกคนในโลกเนี้พิเศษกันทั้งนั้นและทุกอย่างมีดนตรีในใจเราต้องตั้งใจฟังจะบอกว่าฉันฟังกลองของจันได้เหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้อ๋อใช่ฉันได้ยินเสียงกลองแล้วละ่ะฉันบอกแล้วไงละ่ะว่าอะไรก็เป็นไปได้ไม่ มีอย่างหนึง่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรเหรอฉันคงไม่หายจากโรคนี้โอ้อย่าพูดแบบนั้นนะถ้าฉันเป็นอย่างอื่นนอกจากถั่วละ่ะเธอจะได้หายดีอะโอเคไหมแต่เธอเป็นแค่ถั่วเธอจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงได้แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองสิเธอจะทำได้ทุกอย่าง แต่ถ้าฉันกลายเป็นอย่างอื่นได้เธอจะเชื่อไหมหล่ะว่าเธอน่ะจะหายฮ <c oughs> โอเคฉันจะหายดีเช้าถัดมาเมื่อเด็กหญิงตื่นขึ้นมาเธอจำบทสนทนาระหว่างเธอกับถั่วได้เธอเลยมองหาถั่วที่หน้าต่างแต่เขาไม่อยู่แล้วอ๋อมันอาจจะเป็นแค่ฝันก็ได้ถั่วจะพูดได้ยังไงกันละ่ะเธอไปที่หน้าต่างแล้วก็มองไปที่พระอาทิตย์แสนสวย มันสวยนะข้างนอกอย่างที่ทั่วบอกเอาไว้เลยแหละทำไมเราเชื่อไม่ได้ว่าเราจะหายดีนะฉันว่าฉันจะหายดีอย่างแน่นอนทั่วน้องเล็กพยายามที่จะรักษาคำพูดเขาอยู่ข้างนอกหน้าตะเขาหมกตัวเองเอาไว้ในฝุ่นอยู่หลายวันหลังจากนั้นเมื่อน่าหนาวมาถึงฝุ่นพวกนั้นจะได้ช่วยให้เขารอดจากหิมะทุกๆวันเขาจะพยายามทาให้ได้ตามเป้าหมาย ถ้าเราผ่านมันไปได้ในอีกไม่กี่วันเราว่าเราก็จะทำได้ตามเป้าหมายและเราจะต้องรักษาสัญญาถั่วน้องเล็กผ่านหน้าหนาวไปได้ด้วยความมุ่งมั่นของเขาแดูการเปลี่ยนไปถั่วเล็กๆ ก, ก็งอกขึ้นมาเขาเปลี่ยนเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านพร้อมดอกไม้ วันหนึ่งแม่ของเด็กหญิงก็เห็นถั่วงอกสวยๆนอกหน้าต่างดูสิถั่วงอกที่ขอบหน้าต่างลูกนะอ้าว oh, <wow. S 2> มันโตที่นี่ได้ยังไงนะเขารักษาสัญญาค่ะแม่เขารักษาสัญญาอะไรนะใครสัญญาอะไรเหรอถั่วเขามาที่นี่เขางอกงาม หนูเชื่อแล้วว่าหนูก็หายดีได้ถ้าถั่วเปลี่ยนตัวเองได้ทำไมหนูจะหายไม่ได้ละ่ะใช่จ้ะลูกแม่นอนว่าลูกจะต้องหายดีเด็กหญิงยิ้มไปที่ต้นถั่วแม่ของเธอก็ขอบคุณถั่วและดูแลถั่วต่อไป